บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาะชาชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของอวิชชาคือความไม่รู้อันเป็นสังโยชน์ข้อสำคัญที่สุดเพราะากิเลสทั้งหลายนั้นเกิดสืบเนื่องมาจากอาวิชชาทั้งหมด จะมีแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างไรก็ตามแล้วแล้วแต่มีอวิชาเจือปนอยู่ทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามีความเข้มข้นจัดหรือว่าเข้มข้นไม่จัดถ้าวิชามีความเข้มข้นจัดอาการแสดงออกมาก็จะมีความรุนแรงข้อนี้เพิ่งสังเกตว่า เช่นในการละเมิดปกศีลทั้งหลายปกศิขาบ ท, ทั้งหลายที่ในอริมัชยมีองค์แปดท่านแบ่งไว้เป็นสามมัชคือสมมาวาจาสมากัมันตะสมาชิวะนั้นแต่ใจิตใจของบุคคลอย่างประกอบอยู่ด้วยอวิชชามากแต่ที่จะดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของสามามัร คือทางดําเนินที่ดีที่ชอบก็จะออกมาในรูปของมิจฉาทก ค, คือทางผิดอาการที่แสดงออกแทนที่จะเป็นวาจาชอบการงานชอบเตี้งชีพชอบเรากลายเป็นวาจาผิดการงานผิดเตี้งชีพผิดเพราะจิตถูกคอหุ้มคลุ้มรุมด้วยอาการของความโลภลดลง ที่มีวิชาเป็นพื้นฐานอยู่ทั้งหมดเมื่อเราเรียงพฤติกรรมเหล่านั้นที่สืบเนื่องมาจากวิชาอย่างหยาบจากหยาบไปหารละเอียดคือเช่นว่าบุคคลเหล่านี้อาจจะฆ่าสัตว์ด้วยตัวเองเอติค่านั้นอาจจะฆ่าเพราะความหลงอาจจะฆ่าเพราะความโกรธอาจจะฆ่าเพราะความโลภอาจจะฆ่าเพราะความพิษยาแข่งดี แต่สรุปว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยให้เกิดการฆ่าขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นอาการของอวิชชาทั้งหมดแม้บางครั้งอวิชชาก็จางลงไประดับหนึ่งไม่ถึงก็ฆ่าโดยตนเองแต่จะมีการใช้การแนะนำให้คนอื่นก็ฆ่าหรือส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นก็ฆ่า จึงแสดงเห็นว่าในแง่ของบาปแล้วตัวเองก็เป็นบาปเช่นเดียวกันเพราะการฆ่านั้นเกิดขึ้นจากการแนะนำให้ฆ่าของตนในแง่งกฎหมายก็ถือเป็นความผิดด้วยกันในแง่ของศีลในแง่ของธรรมะก็ชื่อว่าผิดความผิดด้วยกันบางคนไม่ถึงกับไปใช้คนอื่นฆ่า ก็แสดงว่าภายในใจนั้นอวิชชาได้ ล, ลดลงไปความโลภความริษยาความแข็งดีความโกรธความอคติพยาบาทเป็นต้นก็ลดลงไปแต่ภายในใจก็อดจะชื่นชมต่อการฆ่าไม่ได้าะยึงมีการกล่าวยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าผู้ทำลายล้างกันโดยวิธีการต่างๆ ซึ่งคนนี้ถ้ามองโดยพื้นฐานของปรัชญาของศาสนาจะเกิดขึ้นจากอาการของจิตที่มีความรู้สึกสะใจรู้สึกได้บรรเทาความโกรธความโรคความริษยาความแข็งตีของตนออกไปแต่ในแง่ของสังคมก็มีการกระทาในแนวนั้นกันอยู่ อย่างที่ท่านอากิมบุมาขยมได้กล่าวสภาพจิตของคนที่เกี่ยวกับกรณีนี้เอาไว้เป็นคำโครงในคำพีรุบายาตวามหาจนที่ปล้นฆ่ามหาชนดาวบาทราชทันปรนปราบป้องมาราชญาติประหนไปชนมหาราชและพ่อชมชะกาศ ร, ราชเดกก้องเกลียกกันนั้นขันใหม่ เป็นการแสดงเห็นว่าพฤติกรรมอย่างเดียวกันมีการกระทำที่รุนแรงพอๆกันแต่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเมื่อทำลงไปจะถูกตำหนิคาาโทษต้องไลาลาต้องจับกลุ่มมาคุ่มขังลงโทษจนถึงอาจจะต้องประหารให้ตายตกไปตามกันแต่ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมอย่างเดียวกันมีความรุนแรงพอๆกันแล้วก็ฆ่าทำลายได้มากกว่าโดยซ้ำไป แตว่ากลายเป็นวิญญชนได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้คนทั้งหลายนั้นแสดงว่าก็มีอยู่สองภาพคือภาพของสังคมประการหนึ่งและภาพของจิตวิเคราะห์คือการมองดูที่สภาพจิตพรจิตที่คิดจนถึงกับมีการยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าเช่นนั้นแสดงว่าจิตมีอวิชามีกิเลสประเภทต่างๆอยู่ภายในจิต ใ แ, แง่ของสีใงแง่ของทรรมก็ชื่อว่าผิดเพราะว่าจิตใจที่ขุนหมัเท่้ามองนั้นเป็นความผิดที่จะเรียกว่าเป็นมนุษย์ทุจริตแต่บางคนอวิชาก็จางลงไปกว่านั้นไม่ถึงประพฤติกระทาทั้งสามลักษณะดังที่กล่าวแล้ว แต่เมื่อได้ยินข่าวคราวต่างๆเรื่องราวที่เกี่ยวกัรต่อสู้การประหานการนำลายล้างกันล้วก็ชื่นชมต่อการกระทำในลักษณะนั้นเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นภายในใจทัเราจะเห็นอาการของอวิชชาอาการของวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนปรากฏขึ้นภายในใจอย่างชัดเจน เมื่อตรวจสอบดูสภาพจิตของตัวเองโดยไม่ลำเอียงก็จะเห็นว่าจิตในขณะนั้นประกอบด้วยวิ่งขวาความริษยาความแข็งดีตลอดทั้งความสะใจซึ่งเกิดขึ้นมาจากวิหิงสาธาัตรือธาตุของความคิดเบียดเบียนที่มีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของคนที่นิยมชม ช, มชอบชื่นชมกับความพิบัตเดือดร้อนการต่รอสู้กันทําลายล้างศึกสงครามทั้งหลายพฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดพฤติกรรมในค่อนข้างทาร์ในสังคมมนุษย์ เราจะเห็นว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนทํำลายล้างกันนั้นจะเป็นที่สนใจพอใจชอบใจของบุคคลทั้งหลายแต่เรื่องราวอะไรก็ตามที่เป็นการสร้างสารรค์พัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามคนจะไม่ค่อยสนใจเพราะภายในใจของคนนั้นมีริษยาคือตัเ น, น้นความเจริญก้าวหน้าใน ด, ดีประดีของบุคคลอื่นไม่ได้ แต่ทำไมจึงพอใจสนใจในเรื่องของการเบียดเบียนประทุษรายเพราะาภายในใจคนมีวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียเนเป็นธาตุอยู่ภายในใจและธาตุเหล่านี้ก็ต้องการอาหารที่มาสนองความต้องการของตัวเองเพราะาบางคนจึงมีการฆ่าเองบางคนจึงมีการใช้คนอื่นฆ่าบางคนจึงสรรเสริญผู้ฆ่าบางคนจึงยินดีในการฆ่า รูปเการของวิชาที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันแต่ทุกจุดมีอวิชารวปเการของกิเลศประเภทความโลภความริษยาความแข็งดีความเบียดเบียนอยู่ภายในจิตใจของบุคคลที่เขาทํากรรมอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามีความแตกต่างกันหรือมากน้อยไม่เท่ากันแต่ในเดิ ออกมาแล้วเป็นอะไรออกมาเป็นกายทุจริตเป็นว จ, จีทุจริตเป็นมโนษทุจริตแต่ถามว่าจิตใจขุดมัวเศร้ามองไม้ก็ตอบว่าจิตใจขุดมัวเศร้าบอกจะมีความสงบเกิดขึ้นภายในใจไม้ก็บอกว่าเกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่าใจก็ไม่สงบวาจาก็ไม่สงบกายก็ไม่สงบ ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะาวิชาเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดการกระทำในลักษณะนั้นจึงจะเห็นถึงความประณีตของจิตเห็นการลดของวิชาและการเพิ่มของวิชาเป็นการลดของกิเลสชื่ออ่ดแล้วก็เพิ่มของธรรมะที่มีตรงกันข้ามกับกิเลสเหล่านั้นขึ้นภายในจิตใจของตัวเอง แม้แต่การมองมการสรวจสอบจากบุคคลอื่นผู้มีภูมิปัญญามากพอก็สามารถที่จะวิเคราะห์ตัดสินได้เช่นเดียวกันเรื่ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือบางคนอาจจะรักตัวเองเราจะพบว่าเหตุให้รักนั้นถือเนื่องมาจากอวิชาเป็นพื้นฐาน แต่าการที่รักนั้นอาจจะรักเพราะโลกก็ได้เพราะปว ก, ก็ได้เพราะิสยาก็ได้เพราะแข่งดีก็ได้เพราะความมาคาดพยาบาทก็ได้หรือต้องการผลประโยชน์ศาษณาอื่นก็ได้แต่ทั้งหมดที่จริงก็คืออาการของกิเลสปาวิชามีความเข้มข้นรุนแรงอาการที่ออกมาในการประสุตรายต่อทราบของบุคคลอื่นก็จะรุนแรงตามไป เหตุภาพความเข้มข้นของกิเลสที่มีการต้นฆ่าข่มขืนทำลายเผาบ้านเรือนคนเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันในแง่ของบาปกรรมก็รุนแรงได้เกิดในแง่ของอาชญากรรมก็แรงมากมีการจับได้ลายทันสามาพิพากษาตัดสินลงโทษในรูปของการประหารชีวิตเพราะกฎหมายกำหนดไว้ในสถานนั้น อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะอาการของกิเลสเขกเกิดต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปโดยลาดับจะถึงขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความคิดที่มีความรอบคอบจิตกรอประกอบด้วยอกูศลอย่างต่อเนื่องยาวนานอาการแสดงออกทางกายทางปรจาวางใจก็รุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะอาการเหล่านี้มันก็มีหยาบมีกลางมีละเอียด แม้จะเป็นอาการของกิเลสก็ตามแต่เป็นเรื่องที่บุคคลแต่ละคนจะต้องรู้ด้วยใจของตัวเองรู้ใจของตัวเองว่าใจคิดอย่างไรจึงทำอย่างนั้นจึงพูดอย่างนั้นแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าใจมีธรรมะอยู่มันทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วสแสดงว่าใจมีกิเลสเมื่อกิเลสก็ต้องสืบเนื่องวาจากรกิจ ช, ชา เพราะเราจะเห็นพฤติกรรมทั้งหลายที่บางคนก็ฆ่าสัตว์โดยตนเองรักทรัพย์โดยตัวเอ ง, เองใช้บุคคลอื่นให้รักยกย่องสรรเสริญคนที่ลักหรือไม่ถึงอย่างนั้นแต่ว่าใจพอใจยินดีในสิ่งที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบทำหรือพอ พอจะยินดีในพวกศินบนในพวกสิ่งที่ได้มาในทางไม่ถูกต้องเปน็นต้นนั้นแสดงว่าจิตก็มีความขุนมัวเศร้อมองมียวิชาอยู่เป็นฐานทุกจุดเรามาเป็นรูปของความโลภความริษยาความแข็งดีก็ว่ากันไปในแต่ละ ก, กรณีแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือมียวิชาในกรณีของเรื่องคู่ครองก็มีลักษณะอย่างนั้น ราเห็นว่าในรายละเอียดเนี่ยท่านจะแบ่งไว้เป็นสองระดับระ ด, ดึงเป็นการผิดศีลระดับหนึ่งเป็นการผิดธรรมะที่ท่านเรียกว่าอัชฉราาิยานคือบัญญาติที่มีควรประพฤติหรือเป็นบาปสมาจาานในการประพฤติที่เป็นบาปเพราะการล่วงเกินในประเวณีบางอย่างจึงไม่ถึงกับผิดศีลแต่ก็ผิดธรรมะ ที่ท่านเรียกว่าเป็นบาปเพราะเมื่อเป็นบาปก็หน่วงเหนียวใจคนให้ตกต่ำลงไปตามภพชาติได้ตกต่ำตามลงไปทวยเจ้าทรงใช้กำวหน่วงเหนี่ยวไปสู่ดรกเพราะความคิดเหล่านี้เราก็เห็นอาการของวิชาอาการของการมราคะที่จัดโลภะที่จัด บางครั้งก็เป็นเรื่องของความคิดเบีย่ยนบางครั้งก็เป็นเรื่องของความมาคาดพยาบาทแต่ทั้งหมดมันก็คือกิเลสอีกจะมีการละเมิดประเวณีโดยตนเองแนะนําเชิญชวในให้คนอื่นลงระมิดยกต้อง ส, สรรเสริญบุคคลผู้มีพฤติกรรมในลักษณะนั้นจนเราจะเห็นว่าคตินิยมของคนเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในสมัยโบราณ พวกวรรณคดีทั้งหลายที่ศึกษากันในประเทศไทยก็เห็นจะมีเรื่องพระรามเพียงองค์เดียวที่มีมเหสีเพียงคนเดียวตอนนั้นตัวเอกแต่ละคนแต่ละองค์ก็จะมีสนอง น, น, นั้ณในมีมเหสีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็มีการยกย่องในรูปของวีรกรรมบางอย่างเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรก็ยังมีการยกย่องกัน นั้นแสดงให้เห็นถึงพื้นจิตอย่างน้อยก็อยู่ในระดับที่สคือมีความชื่นชมในการประพฤติผิดทางประเวณีของบุคคลอื่นหมายความว่าใจโน้มเอียงไปทางอากุศลมีความชื่นชมยินดีในเรื่องของอกุศลระดับนั้นเราก็เรียงออกไปเป็นสีระดับเช่นเดียวกันแต่ระดับนั้นจะเรียงจากหยาบขึ้นไปจนหาละเอียด ท่านสายชนทั้งหลายจะเห็นว่าจริงๆก็คือทุตริททางกายทางวาจาทางใจก็ไม่อื่นไปจากเรื่องทั้งหมดที่ส่งแสดงเอาไว้แม้ในที่อื่นในที่นี้เพียงแต่แยกออกมาให้ดูวันนี้คืออาการของวิชาที่เพิ่มความรุนแรงในด้านการมาราคาในาเรื่องโลภะในเรื่องนิสัยในเือความโกรธขึ้นแล้วก็ออกมาในรูปของการประพฤติผิดในทางประเวณีตัวเองบ้าง ใช้คนอื่นในธรรมบ้างหรือว่ายกย่องสรรเสริญผู้เป็นชนั้นบ้างหรือมีใจชื่นชมยินดีต่อผู้ที่มีพฤติกรรมในลักษณะนั้นบ้างในตอนที่สามที่สี่เป็นมโนโทุจริตที่สองกับที่สามเป็นวจีทุจริตที่หนึ่งเป็นกายทุจริตความผีดเรานี้สงสัยกับว่าทําเองก็ผิดใช้ผู้คนอื่นทําก็ผิด ในส่วนมโนทุจริตไม่ใช่ผิดศีลที่จริงมันสังเกตว่าข้อที่สองข้อที่สามแลข้อที่สี่นั้นไม่ใช่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะการยกย่องสรรเสริญคนที่ประพฤติผิดในทางประเวณีหรือชื่นใจ ช, นชื่นชมยินดีต่อคนที่ประพฤติผิดในทางประเวณีไม่ใช่เรื่องของศีลแต่เป็นเรื่องของธรรมะเป็นความคิดที่เป็นบาป แสดงว่าใจยินดีในบาปเป็นลนักษณะนำจิตของตนเองให้เดินไปบนเส้นทางที่ปิดที่ท่านว่าเป็นทางเสื่อมคือเริ่มในจิตที่ยินดีในบาปในกุศลท่าไหร่อย่างที่เทวดาตนหนึ่งมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญ ทงแสดงว่าคนเราจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายเขาจะเจริญก็ได้ง่ายคือผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นอาการรังเกียจธรรมะหรือชังชิงชังธรรมะไม่ต้องการจะให้ชีวิตของตนเองเข้าไปเกลื่อนกล้วเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กับกุศลแธรรมทั้งหลายแล้วร่ากายใจของตนออกไปสู่กระแสะของกุศลมันก็ไหลออกไปเป็นรูปของกายของวิจีทุจริต ของกายยุทธจิตของวจิตรจิตมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือพูดเท็จโตัวเองใช้บุนคคลอื่นพูดเท็แล้วยกย่องสรรเสริญคนที่พูดเท็ดได้เก่งมีความชื่นชมยินดีต่อคนที่พูดเท็ทั้งหมดนั้นสแสดงถึงใจตกไปสู่กระแสะขององค์สุนทงกายทางวิจาทั้งใจเช่นเดียวกัน แต่ว่าเมื่อเมื่อพูดเรื่องวาจากระมาความเป็นวจีทุจริตเสียสองอย่างเป็นวจีทุจริตสาอย่างคือพูดเท็จ ด, ด้วยตนเองใช้บุคคลอื่นพูดเท็จแล้ยงย่องสรรเสริญคนที่พูดเท็จก็จัดเป็นวจีทุจริตใจยินดีชื่นชมต่อคนที่พูดเท็จแสดงให้เห็นถึงเป็นมโนทุจริตแล้วก็เป็นการเกิดมาจากอาวิชชา หาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนเรียกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทําให้เป็นเรื่องเกิดเป็นเรื่องความชั่วของบุคคลอื่นพุทศาสนาไม่ได้สอนคนอนุมโมทนาชื่นชมต่อความชั่วคน ท, ทั้งสังคมทั้งหลายจะมองกลับไปอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวพระเจ้าทรงสแสดงถึงปัตตาโนมโมทนาใหม่หรือมุทิตา มุติตาในพรหมบิหารอนุโมทนาในที่ต่างๆและปะตานุโมธนาใหม่ในบุญยกิยาวัตถุเป็นการแสดงเห็นถึงใจที่มีความชื่นชมในตัวความดีในคนดีในสิ่งที่ดีในการกระทาที่ดีในการพูดที่ดีในความคิดที่ดีมันคจัดพวกอวิชาก็าจัดความทิสยา็าจัดความแข็งดีก็จัดความโลภออกไป ดต่นั้นพวกเรานั้นจึงเป็นธรรมเป็นกุศลลธรรมแต่ในส่วนนี้กลายเป็นอกุศลธรรมก็มาจากคนเราพวกกันอกุศลธรรมเกิดมาจากอาวิชาทั้งหมดอย่างที่ว่าไว้จึงได้ออกมาเปรูปกิ่งใบดอกผลของวิชาแต่นั้นเองแต่เชื่อมโยงอยู่กับต้นของวิชา ก็ต้นไม้ที่เป็นพิษทุกส่วนของความเป็นต้นไม้ต้นนั้นเมื่อเชื่อมโยงจากรากไม้ที่เป็นพิษมาความแม้บรรเลก็เป็นพิษตามไปด้วยเพราะในกรณีของการผู้สูญเสียดมันก็ออกมาในแนวเดียวกันคือชอบยุยงส่งเสริมคนอื่นเขาทะเลาะ ก, กันโดยตัวเองหรือว่าสนับสนุนส่งเสริมบุคคลอื่นให้ พูดในทานองยุยงให้เกิดความแตกแยกและชื่นชมยินดีในคนที่สามารถสร้างความแตกแยกได้จะเราพูดถึงวัศการพรามซึ่งเป็นตัวอย่างของจารชนที่นาตัวเองเข้าไปอยู่ภายในหมู่คณะเหล่านั้นแล้วก็หาทางสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยย่งเขาไว้เนื้อเชื่อใจแล้วทรยศต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของเขา เริ่มยุยจะเกิดความแตกแยกตั้งแต่คนที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองเราพูดถึงวัสการพรามด้วยความวัดระแหวงแล้วใครก็ตามที่มีลักษณะของวัสการพรามคนก็จะรู้สึกไม่ชอบจะไม่มั่นใจในการเกี่ยวข้องกับฝันสมาคงกับบุคคลนั้นเพราะในในกรณีนี้บางทีมันก็ไม่ถึงกับพูดเอง หรืใช้บุคคลอื่นพูดแต่อาจะยกย่องสรรเสริญคนที่เป็นเช่นนั้นหรือด้านจิตใจก็อาจจะชื่นชมยิน ด, ดีดังกลาง่าวคำหยาบก็จะเดินไปสี่ชั้นเช่นเดียวกันแล้วความพูดหยาบต้วตัวเองสอนบุคคลอื่นแนะนำบุคคลอื่นผู้คำหยาบหรือยกย่องสรรเสริญคนที่พูดหยาบหยาสนุกสนานกับการได้ยินในความคําที่หยาบพวกคําด่าทั้งหลาย ซึ่งเราสังเกตกุคนเราชอบการด่าแม้แต่อ่านข่าวหนันงสือพิมพ์ก็ชอบข่าวที่ด่าซื้อพิมพ์อะไรก็ด่าด่ามา ก, มากๆเรื่อหนังสือพิมพ์ตลาดเนี่ยมันจะติดตลาดและจําหน่ายได้แพงอยอดจําหน่ายจะสูงหนันงสือพิมพ์ที่เป็นหลักเป็นฐานอ่านแล้วได้สาระประโยชน์นั้นจะไม่จเจริญเติบโตเพราะาเราจะเห็นว่าในสังคมไทยเราหนังสือธรรมะบางอย่างเช่นหนังสือธรรมจากสุ พิมพ์เผยแพร่ามาเจ็กว่าปีแล้วปัจจุบันยอดพิมพ์แต่ละครั้งก็ไม่เกินสี่พันเล่มบางฉบับแค่ครั้งละหนึ่งพันเล่มสองพันเล่มแต่ในขณะเดียวกันหนังสือที่แสดงถึงความบุนแรงของราคะโทสะโมคะพิมพ์ได้เป็นแสนแสนเป็นล้านเล่มพิมพ์แล้วพิมพ์อีก ที่เราพูดกันถึงนวราญายน้ำเน่าทั้งหลายแตว่าจริงถ้าเราไปดูยอดการพิมพ์เขาแล้วไม่ใช่ธรรมดาบังเล่พิมพ์ถึงยี่สิบสาสิบครั้งแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยสแสดงว่าเป็นความต้องการของตลาดตลาดมันชอบอย่างนั้นตลาดชอบคการพูดอย่างนั้นเป็นการผิดสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด แต่เรื่องศาสนาเรื่องศีลธรรมนั้นเป็นการดึงสังคมเข้าสู่จุดถึงความถูกต้องเป็นการพิ่มวิชาเพื่อสลายวิชาให้แต่คนยังมืด อ, อยู่เขาก็ไม่ต้องการเขาด้วยสุกว่ามืด ม, มก็ดีแล้วก็ทํานองคล้ายๆกับที่โบราณท่านเล่าถึงนิทานเรื่องเทวดากัดนอนเทวดาต้องการให้นอน เริ่มปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อจะไปบังเกิดเป็นเทวดามีความสุขในทิพยสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นพออธิบายไปอธิบายมานอนมีความรู้สึกว่าที่แกเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันดีกว่าเป็นเทวดาสิแล้ในที่สุดแกก็ไม่อยอมทาตามตรงนั้นเพราะจะเห็นคืออะไรเห็นคืออวิชชาติบิดบางเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ อาการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการจางไปของวิชาแต่ไม่ใช่หมดมันมีวิชาอยู่ทั้งนั้นในกรณีพูดเพื่อเจิดเหล่อยบางคนนิยมการพูดเพื่อเจิดเหล่อยคือตัวเองตัวแนะนําสั่งสอนบุนคคลอื่นให้พูดหรือยกจ้องสรรเสริญการเพื่อเจิดเหล่อยทั้งหลายส่วนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะเห็นถึงอาการของวิชาคนเราสามารถไปดูการเล่นตลกในสถานที่ทต่างๆได้หลายชั่วโมง แกไปตั้งหลายชั่วโมงสูญเสียงเงินทองไปตั้งหลายบาทหลายร้อยบางทีก็หลายพันสร้างปัญหาความวิตกกังวลห่วงใยเกิดขึ้นแก่ครอบครัวตัวเองก็เสี่ยงไปเสี่ยงอะไรเพราะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอบายามุก ค, ค, คือการเที่ยวกลางคืนเราก็าจริงเรื่องไร้สาระเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ว่าคนชอบ คนที่เล่นตลกต่างๆมันมีมาตั้งแต่โบราณนะเรียกว่าตลกลวงมีตำแหน่งทางราชการใหญ่โตใกล้ชิดไปเจ้าแผ่นดินผู้เล่นผู้หัวก็ไปเจ้าแผ่นดินได้แสดงว่าคนนิยมชมชอบนะบสถานนี้ ปัจจุบันเองก็เป็นเช่นนั้นพวกดาวตลกทั้งหลายก็สร้างฐานะของตอนเองัางครั้งร่ำรวยขึ้นมาได้ก็หมายความว่าคนชื่นชมนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่ามีวิชาอยู่ในใจมากอยู่เรื่องอาชีพก็เป็นเช่นเดียวกันแล้วก็กลายเป็นมิจฉาชีพตกลงว่าเป็นมิจฉาวาจามิจฉากมันตะมิจฉาชีวะเพราะมีวิชาอยู่เบื้องหลัง คนเหล่านี้อาจจะเลี้ยงชีพผิดโดยตัวเองหรือส่งเสริมสนับสนุนคนอื่นเลี้ยงชีพในทางที่ผิดยกย่องสรรเสริญคนที่ได้ทรัพย์สินเงินทองมาในทางที่ผิดหรือไม่มีอะไรก็ใจมันดินดดีพอใจในสิ่งที่ได้มาในทางไม่ชอบธรรมไปรูปของขวัญไปรูปแช็คของขวัญไปรูปของขวัญไปรูปของฝาก เป็นรูปของบรรณาการเป็นรูปของชีวิตรุกเป็นอะไรก็ตามแต่สรุปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมบางชีตัวเองก็รู้ถึงที่ไปที่มาได้ซ้ําไปแต่ใจก็จะมีความชื่นชมยินดีต่อสิ่งเหล่านั้นหรือว่า ต, ต่อการได้มาของบุคคลอื่นและอย่างนั้นพึงสังเกตว่า อาการของวิชาก็เข้มข้นขึ้นภายในใจของบุคคลเรื่อยๆออกมาเป็นรูปของโรภจากโกรจัดหลงจัดลิสยาจัดเบียดเปลียนจัดแล้วก็ออกมาในรูปวิจีทุจริตอาการทุจริตวจิทุจริตแต่บางทีไม่จัดแรงขนาดนั้นมันก็ออกมาในรูปของมโนทุจริตเดีวทุจริตนั้นที่จริงแล้วเป็นทางของทุกติ เป็นาดำเนินไปไม่ดีทางดำเนินไปลําบากทางดำเนินไปชั่วจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่นรกเพราะเหล่านี้เป็นทางผิดที่ทรงสอนงดเวน้นให้บุคคลเพียรพยายามที่จะเดินไปบนเส้นทางที่เรียกว่าสัมมามัติคือทางในทางที่ชอบที่เ ร, ราโดยสรุปแล้วก็คืออริมรัติเป็นองค์แปประการ ทำให้เราเห็นทางชีวิตมีอยู่สองทางพระเจ้าทรงใช้คำว่าสัมมามัติมิฉามัติสัมมากกมัามา ก, มมากทนั้นเป็นมัจจิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่ตกขอไปในด้านใดด้านหนึ่งเริ่มต้นด้วยความเห็นชอบในขณะเดียวกันมิฉามัติมันก็มีคนนิยมชมชอบเช่นเดียวกันเริ่มต้นด้วยความเห็นผิดเข้าใจผิดขอให้เกิด ความคิดการกระทาที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนในขณะนั้นๆในขณะต่อๆไปตลอดถึงในสมรายภพภายภาคหน้าพระเจ้าจึงทรงสอในใบุคคลเว้นมิจฉามากักมาเดินในทางที่เป็นสมามากักซึ่งจะนำบุคคลไปสู่ความสุขความสงบตามทุงควรแก่ฐานะนั้นๆต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืขต่อ